26. หวิปัสสนาต้องเห็นจริงๆไม่ได้คิดเอาเองวงเล็บเปิดยี่สิบมกราคมส5งพนห้าห้าสิในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสิบสองวงเล็บปิดดูจิตก็ไม่จำเป็นต้องเป็นวิปัสสนาตลอดถ้าดูไม่ถูกดูแล้วเพ่งเอาเพ่งเอาได้สมถะถ้าดูไปแล้วเห็นจิตใจเขาทำงานไปเขาเคลื่อนไหวไปไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันเอง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 อย่างรู้ท้องพองยุบนี่เกือบร้อยละร้อยนะทำสมถะไม่ใช่วิปัสนาหรอกไปเพ่งท้องเพ่งให้ใจจ่อนิ่งๆอยู่กับท้องนะได้สมถะไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเพ่งที่เท้าไว้นะก็ได้สมถะเดินไปเดินไปตัวลอยนะตัวเบาตัวโครง ว, ว, วูบวูบวับวบขนลุกขนชันเหมือนฟ้าแลบแปลแปลกแๆนี่เป็นอาการของปิติอาการของสมถะทั้งหมดเลย ฉะนั้นไม่ใช่ว่ารู้รูปนามจะเป็นวิปัสสนาเสมอไปมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของการรู้ด้วยต้องรู้จริงถึงจะเป็นวิปัสสนารู้จริงว่าอย่างไรรู้จริงว่ารูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะเขาเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาเขาเป็นทุกข์ก็ได้เห็นว่าเขาถูกบีบคั้นตลอดเวลาร่างกายนี้ก็ถูกบีบคั้นจิตใจก็ถูกบีบคั้นร่างกายถูกเวทนาบีบคั้น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 ที่ร่อนเร่เดินทางส่วนใหญ่จะสะสมแต่ความเห็นผิดเวลามองเราก็เห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขาเวลาเราฟังก็มีเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเราเสียงเขาขึ้นมาอีกนะเราไม่เห็นรู ป, ปธรรมนามธรรมา ท, ที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่มีเราไม่มีเขาเมื่อใดสติตัวจริงเกิดขึ้นมาจะเห็นเลยว่ารู ป, ปธรรมนามธรรมาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นทันทีเลย ถ้าสติตัวจริงๆเกิดขึ้นมาสติตัวปลอมเกิดขึ้นมาก็ยังเป็นสัตว์เป็นคนอยู่อย่างเก่งก็แค่คิดว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนคิดเอาไม่ใช่ของจริงนะอย่างบางคนนั่งดูอิรยาบดีก็นั่งคิดไปเรื่อยเลยว่าไอ้ที่นั่งอยู่นี่เป็นรูปไอ้ที่รู้เป็นนามอย่างนี้คิดเอาไม่ใช่วิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเห็นจริงๆรูปนี่รู้สึกไหมว่าสัมผัสลงไปมันเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่ง ท่อนอะไรท่อนหนึ่งรู้สึกไหมว่าไม่ใช่คนหรอกเป็นท่อนแข็งๆท่อนหนึ่งท่อนแข็งๆนี่เขาเรียกว่าธาตุดินไม่ใช่คนให้รู้สึกใครหัดเจริญสติกับหลวงพ่อพักหนึ่งวันหนึ่งไปสองกระจกอาจจะตกใจว่าไอ้นี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ตัวอะไ ร, ไะไรทําไมหน้าตามันพิลึกทําไมมันมีปากอยู่ใต้จมูกเรารู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับเราไม่มีเรา ภาวนาพอสติเกิดนะจะเห็นสภาวะสภาวะนั้นจะแสดงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาขึ้นมายัางความโกรธผุดขึ้นมาแล้วสติไประลึกรู้เนี่ยจะเห็นเลยว่าความโกรธไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะใครเห็นความโกรธเป็นสัตว์เห็นความโกรธเป็นคนก็เพี้ยนแล้วความโลภความหลงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนเป็นแค่นามธรรมอันหนึ่งมีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ไม่เกิด เกิดแล้วอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวก็หายไปหมดเหตุมันก็ดับไปเห็นเลยว่าเราบังคับมันไม่ได้นะมันมีเหตุมันก็เกิดบังคับมันไม่ให้เกิดไม่ได้อย่างใจเราจะโกรธก็ห้ามไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ให้โกรธนะไม่ได้ฝึกไม่ให้โลภไม่ได้ฝึกไม่ให้หลงแต่ฝึกให้รู้ความจริงเลยว่าถ้ามีเหตุมันก็โกรธขึ้นมามีเหตุมันก็โลภมีเหตุมันก็หลงห้ามมันไม่ได้แล้วความโกรธความโลภความหลงอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราอีก เป็นนามธรรมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอีกตัวเราไม่มีนะค่อยๆดูไปดูกายดูใจดูกายดูใจซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้มันจะค่อยๆเห็นเลยว่ามันไม่มีเราพอมันไม่มีเราก็จะค่อยๆละความเห็นผิดได้ทีละน้อยทีละน้อยบางคนใจร้อนนะตั้งเป้าไว้เลยว่าเจ็ดวันจะต้องบรรลุธรรมหรือเจดเดือนบรรลุธรรมเจ็ดเดือนบรรลุธรรมเห็นมีแต่ในหนังสือของดังตรินนะ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 พอจิตไปคิดความเป็นตัวเราก็เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวเราจริงๆคือความคิดเท่านั้นเองเป็นความคิดผิดๆ ด, ด้วยความเคยชินเรียกว่าวิปลาสวิปลาสที่คนไทยแปลว่าบ้าความจริงคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปเราภาวนานิดๆหน่อยๆเราอยากบรรลุเร็วๆนี่เอาเปรียบไปหน่อยเอาเปรียบสังคมนะที่สะสมความเห็นผิดสะสมข้ามภพข้ามชาติแล้วภาวนาหยอๆแยะๆ เมื่อใดจะตัดสักทีเอาเปรียบไปหน่อยนะถ้าสติเราเกิดบ่อยๆสิถึงจะมีโอกาสบรรลุมรรคผลถ้านานๆาเกิดทีหนึ่งหรือชาตินี้ยังไม่เคยเกิดเลยนะยังอีกไกลต้องค่อยๆฝึกค่อยๆฟังธรรมะธรรมะที่หลวงพ่อพูดนะฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ทนทนฟังไว้แล้วสติจะเกิดนะกล้าท้าเลยนะแต่กับบางคนไม่เกิดนะถ้าพวกคิดมากฟังอย่างไรก็ไม่เกิดถ้าพวกไม่คิดมากเนี่ยฟังไปเรื่อยๆ ซีดีหลวงพ่อเนี่ยฟังแล้วตื่นสติจะเกิดขึ้นมาพอสติเกิดเนี่ยจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้พอหลุดออกจากโลกของความคิดได้มันจะเห็นสภาวะธรรมทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะเห็นทันทีแต่กายจะเห็นง่ายกว่าแค่รู้สึกตัวแวบหนึ่งนี่จะรู้สึกแล้วว่าตัวนี้ไม่ใช่เรา รู้สึกหรือยังพวกเราพวกที่หน้าเก่าๆนี่รู้สึกทั้งนั้นแหละว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราแล้วเหลือแต่จิตที่ยังรู้สึกเป็นเราอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราศาสนาอื่นเขาก็เห็นได้แต่ปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือไม่ได้ฟังธรรมนะไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะรู้สึกว่าจิตเป็นตัวเราเพราะจิตเป็นของที่เกิดดับรวดเร็ว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 จิตที่เกิดที่ตาจิตที่เกิดที่หูจิตที่เกิดทางใจมีแต่เกิดแล้วก็ดับหมดเลยนะเนี่ยต้องเห็นของจริงเห็นตัวจิตจริงๆนะว่ามันเกิดดับอยู่อย่างนี้จะค่อยๆละความเห็นผิดได้ว่าจิตนี้เทียงแต่เดิมเห็นว่าจิตนี้เทียงนะเห็นว่ามีเราอยู่คนหนึ่งเราถาวรเลยเราวันนี้กับเราปีกลายก็เราคนเดิมฟังธรรมะจนสติเกิดรู้ทันจิตไปเป็นระยะ ะ, ยะไป ถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยว่าจิตไม่ใช่เราหรอกวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราอย่างแท้จริงนะจะได้พระโสดาบันแล้วจิตจะรวมเข้ามาเองแล้วมาตัดสินความรู้ในสมาบัตินะต้องรวมเข้าสมาธิเวลาที่จิตตัดสินความรู้เกิดอริยมรรคจะไม่ได้เกิดด้วยจิตปกติอย่างนี้จิตจะต้องทรงฌานฌานจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะจิตรวมเข้ามาถึงจะถอดถอนความเห็นผิดได้พอรวมเข้ามาแล้วเนี่ย มันจะเริ่มเห็นสภาวะธรรมเกิดดับสองขณะสามขณะถ้ากำลังพอมันจะเห็นสองสามขณะแล้วมันจะเริ่มเกิดอริยมรรคขึ้นมาถ้ากำลังไม่พอนะพอเห็นสภาวะธรรมแล้วจิตไม่มีขันติจิตไม่มีความอดทนต่อสิ่งยั่วยุพอเห็นอารมณ์นี้ก็ยินดีพอเห็นอารมณ์นี้ก็ยินร้ายพอยินดียินร้ายขึ้นมาจิตหมุนติ้วติ้วทำงานอีกหลุดออกมาเลยไม่เกิดมรรคเกิดผลอะไรหรอกแต่ถ้าจิตเห็นสภาวะธรรมภายในนะ ตอนนี้จิตรวมเข้าสมาธิแล้วเห็นสภาวะข้างในเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในสองขณะสามขณะจิตมีขันติอดทนอดกลั้นได้ขันติอัตโนมัตินะไม่ใช่เราทนนะจิตมันทนของมันเองมันทนต่อความเป็นจริงของขันมันทนได้มายุ่ยยุ่ยอย่างไรจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะรู้ลูกเดียวรู้เป็นกลางไม่คิดด้วยนะไม่มานั่งแปลนะว่าไอ้นี่คืออันนี้ถ้ายัางแปลได้ยังไม่ใช่ของแท้หรอก เสร็จแล้วจิตจะวางการรับรู้สภาวะธรรมทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้เข้ามาตัดสินความรู้ที่ใจนี่เอง